เอาใจกลับบ้านกันเอาใจกลับมาบ้านกันใจหนีกันไปหมดแล้วให้จิตใจอยู่กันเนืกับตัวไว้เราภาวนานะอย่าอย่าทิ้งเวลาเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อ, อย่างก่อนหลวงพ่อออกมานะพลวงพอหนังเรามีเวลาว่าง น, ะนั่งอยู่เฉยๆถ้าเราคิดไปคิดไป เสียเวลาขาดทุนเราตายเปล่าๆไปหลายนาทีวันหนึ่งวันหนึ่งนะคนเราเอาเวลาไปคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเยอะมากเลยมหาศาลเลยรวมแล้วมากกว่าชั่วโมงที่เราภาวนาด mm. ังนถ้าเราเก็บเวลาพวกนี้มาภาวนาได้นะเราเพิ่มชั่วโมงการภาวนาขึ้นได้อีกเยอะเลย อย่างคนที่บอกว่าทำงานทั้งวันไม่มีเวลาภาวนาถ้าลองไปดูให้ดีนะถ้าแยกชีวิตออกเป็นส่วนย่อยๆย อ, ย อ, อไปมันจะมีเวลาที่ทิ้งเปล่าๆนี้เยอะมากเลยเช่นเรากำลังรอแขกอยู่จะมาเจรจากับเราทุกอย่างเราเตรียมพร้อมแล้วว่างๆแนละ้วว่างก็นั่งใจลอยนั่งทำโน้นทำนี่ไป หรือเราไปที่ทำงานบอกงานยุ่งทั้งวันตอนขึ้นลิฟไปที่ทำงานยังไม่ได้ทำงานตอนเดินไปที่โต๊ะทำงานก็ยังไม่ได้ทำงานตอนนั่งเปิดกุญแจก็ยังไม่ได้ทำงานเปิดคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ได้ทำงานนเวลาเหล่านี้นะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าไปรวบรวมมานะเพราะว่าเยอะเลยหลายชั่วโมงวาคนเราเนี่ยสมองคนเราเนี่ยทงาน ปรัดเดียวที่สุดนะสีนาที45นาทีแลเวลาที่เหลือเนี่ยเฉยๆแล้วถูรู้ถูกกลางทําไปงั้นเองเพ้นถ้าเราทํางานไปสักห้นาทีนะเราเบรกตัวเองนิดหนึ่งเบรกตัวเองสักหนาทีทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเราทํางานได้ดีกว่าเก่าอีกยกเว้นแต่เขียนซอฟต์แวร์นะใจวอกแวกออกไปภาวนาก่อนแล้วเขียนต่อไม่ถูกบางที ถ้าเราไม่ทิ้งเวลาเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเราจะไม่บ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างหลวงพ่อได้เวลาเยอะเลยนะสมัยเป็นคราวาะตื่นนอนมาเนี่ยตอนลุกขึ้นมาเก็บที่นอนนะก็ได้ปฏิบัติแล้ว็รไปอาบน้ำไปเข้าห้องน้ำก็ได้ปฏิบัตนะิแต่งตัวก็ได้ปฏิบัติเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานก็ได้ปฏิบัติอีก ไปอยู่ทำเนียบเหินทํางานในทำเนียบรัฐบาลรำเนียบรัฐบาลแต่ก่อนสงบนะสวยเชา้ชาเช้นี่สงบหลังๆนี่มีคนไปล้อมรทำเนียบอยู่เรื่อยๆพอเดินอยู่ในทำเนียบเดินไปเนาะดูต้นไม้ดูนกดูอะไรนะเราภาวนาไปด้วยถึงเวลาทํางานก็ทํางานไป ทำงานไปช่วงหนึ่งจะเดินไปห้องน้ำก็มีสติอีกละไม่เคยบ่นเลยว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเวลาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเอาผลงานไปส่งผลงานชั้นดีด้วยขนาดพวกพระอุปถากท่องทีถามเลยมาถามหลวงพ่อทีหลังโยมทําได้ไงพระทาตั้งสิบปียี่สิบปีไม่ได้อย่างนี้บอกผมทําทั้งวันนะทําตั้งแต่ตื่นเลยจนถึงนอนหลับ ยงเป็นเวลาหลับกับเวลาที่ทำงานต้องคิดนะมันภาวนาไม่ได้ก็มีบ้างเราพักผ่อนทำงานหนักๆแล้วก็ภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยใจก็ต้องการพักเหมือนกันบางทีถ้าทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกไปบางวันมันไม่ไหวจริงๆนักระทั้งจะทำสมถะยังไม่ไหวเลยงานมันเครียดมากงานมันหนักมากหลวงพ่ออ่านหนังสือด้วยซ้าไป หาหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านหรือบางทีก็อ่านพระไตรปิดกอ่านเลยเลือกเรื่องที่ไม่เครียดที่ไม่ซับซ้อนมากให้จิตใจได้พักผ่อนเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาก็ามาภาวนาต่องั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาภาวนานะให้เราสำรวจตัวเองว่าเราเอาเวลาไปทิ้งที่ไหนจริงหรือที่ทำงานวันละสิบชั่วโมงทำตลอดเวลาหรือ 10ชั่วโมงนะอู้ไปทั้งเยอะนะ่ะทำสิบสองชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงบางคนงคนมันทำแต่มีแต่เวลางานไม่ค่อยมีเคยเจอไหมทำล่วงเวลานะทำในเวลาไม่ทันต้องทำล่วงเวลา <laughs> เพราะตอนอยู่ในเวลาไม่ได้ทำดูอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างงี้แล้วไปทำล่วงเวลา ทิ้งเวลาเปล่าๆตายเปล่าๆน่าเสียดายอย่าพวกเราสมมติเรารู้ว่าปีหน้าเราจะตายแล้วเราต้องใช้เงินเดือนละแสนนะเพื่อจะยืดชีวิตอเอาไหมบางคนเอานะเดือนละล้านเพื่อจะยืดชีวิตไปสักเดือนหนึ่งก็เอาเพรนชีวิตมีค่ามาก แต่เรารักตัวเองนะรักชีวิตแต่ไม่ทำตัวเองให้มีค่าเลยต่อไปนี้เราไม่ละเลยเวลาเล็กเวลาน้อยนะเก็บมาภาวนาให้มากๆอยู่ไปนานยิ่งอยู่นานนะอยู่ไปจนแกนะทักษะในการภาวนาชั่วโมงบินสูงยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นนะก็ไม่หลงโลกไม่หลงโลกก็ยิ่งมีความสุข ยังพวกเรายังอริอร่อยอยู่กับโลกเห็นโลกเป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินสุขบ้างทุกบ้างทุกเยอะแต่มองไม่เห็น ค, คิดว่าโลกนี้สนุกเหลือเกินค่อย่าวนาไปต่อไปจะยิ่งเห็นความจริงโลกนี้ไม่เห็นมีสาระแก่นสารเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกน้อยนะไม่มีโลกมีความสุขเลย พอเห็นอย่างนี้มาเข้ามาเข้านะใจมันคลายออกจากโลกไม่ยึดถือโลกใจคลายออกจากโลกนะัอะไรเกิดขึ้นในโลกก็ไม่เดือดร้อนหรอกคําว่าโลกไม่ใช่โลกภายนอกอย่างเดียวนะมีโลกภายในพระพุทธเจ้าบัญญัติคําว่าโลกก็ ค, คือร่างกายที่ยาวประมาณ1วาวาของเราเองไม่ใช่วา2เมตรนะ แนืนอวากมาตรฐานร่างกายยาวประมาณ1วาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกมีหนังหุ้มอยู่รอบๆนะมีสัญญามีความหมายรู้แล้วก็มีจิตครอบครองอยู่คำว่าโลกของท่านก็คือรูปกับ น, นามกายกับใจของเรานี่เองนะโลกภายนอก สิ่งที่แวดล้อมเราอยู่โลกภายในก็คือรูปนามนี้แหละถ้าเห็นโลกตามความเป็นจริงที่ว่าโลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระว่าเหนือโลกก็เหนือจากรูปนามนี้เองไม่ใช่ขึ้นเรือบินไปบอกเหนือโลกขึ้นดาวเทียมไปอยู่เหนือโลกไอ้นั่นก็ยังเป็นโลกจักรวานนี้ก็เป็นโลกอยู่คำว่าโลกุตตระเหนือโลกนั้นก็คือใจมันพ้นจากโลกไป ใจจะพ้นจากโลกได้มีวิธีเดียวก็คือใจมีปัญญาเห็นความจริงของโลกว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้มีแต่ทุกข์ถ้าจิตเราเห็นความจริงนะว่ารูปนามกายใจของเรานี้คู่ตัวโลกส่วนตัวของเรานี้มีแต่ทุกข์ลว้วนๆจิตจะคลายจากความยึดถือออกไปกเรียกโลคุตตะละพ้นจากโลกพ้นจากความยึดถือในใกายในใจนี้ ไปขึ้นดาวเทียมไปขึ้นยานอวกาศไปไม่พ้นโลกโลกนั้นกว้างใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ถ้าเราทําจริงอดทนนะตั้งอกตั้งใจอดทนต่อสิ่งเร้าต่างๆมันมายั่วให้เราเสียเวลามากมายเลยวันหนึ่งวันหนึ่งของยั่วกิเลสเยอะทําให้เสียเวลามากมาย ย่งดูละครหลังข่าวไม่รู้พวกเรายัางดูอยู่ป่านาะสมัยหลวงพ่อเป็นโยมนะเห็นแต่ละบ้านนะข่าวไม่ดูหรอกรอดูละครอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยแค่มันไตเติ้ลเราก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้จะจบยังไงหนังไทยดูง่ายไม่ยากหรอกไม่มีอะไรแอะเก็บเวลามาภนาะวนาหลวงพ่อเป็นคนห่วงเวลา ไปไหนมาไหนนะใช้เวลาเท่าที่จำเป็นจริงๆเลยอย่างบางทีนั่งรถไปทั้งวันทั้งคืนไปทั้งนานออกตั้งแต่คนะ่าๆนะพอจะไปถึงวัดครูบาอาจารย์บางทีหลังเที่ยงไปแล้วก็มีบางแห่งอยู่ไกลมากไปถึงก็ไปนั่งรอท่านบางทีท่านพักบ่า ย, ายเย็นท่านออกมานะ ถามกรรมฐ า, านท่าน15ห้านาทีพอใจแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วไม่มานั่งพิริพิไลเสียเวลาเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่มานั่งกอดอาจารย์คุยเล่นไปเรื่อยๆไร้สาระที่สุดเลยหลวงพ่อเลยขึ้นชื่อือชาเลยนะว่าไปไหนเนี่ยแป๊บเดียวบางทีไปดูงานของวัดนะให้ช่างทาอะไรไว้เดินทางไปตั้งไกล ไปดู10นาที5นาทีกลับลนะพอใจละไปเยี่ยมครูบาอาจารย์บางที่5านาที10นาทีถ้าท่านไม่ชวนคุยนะเหนือห5นาทีก็กลับลนะเวลามีค่านะหมดแล้วไม่มีอีกแล้วพอไหวไหมไปสำรวจตัวเองนะว่าเราเวลาไปทิ้งเปล่า ว, วันหนึ่งเยอะแค่ไหนประเภทเมาส์แตกเนะเผาผลาญเวลาไปเยอะเลย ประเภทมีเรื่องปลุ่มใจเศร้าใจเศร้าซึมลึกอยู่ภายในเจ็บปวดร้องไห้กระสิกรสกระซิกอยู่ข้างในเสียเวลาที่สุดเลยพวกผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายผู้หญิงสวมวิญญาณนางเอกเศร้าไม่มีพระเอกมาปลอบสักทนะีแต่ยุคนี้พระเอกไม่ปลอบหรอกนะยุคนี้สังคมเปลี่ยนแล้วละ่ะยุคนี้ผู้หญิงแกล่งนะผู้ชายหน่แนม ผู้ชายจะเปราะแปะเปราะแปะยีนมันเสื่อมผู้หญิงนี่เป็นยีนที่แข็งแรงนะผู้ชายเป็นยีนที่เสื่อมยีนที่ผิดปกติแล้วนับวันยิ่งเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆนะ้วต่อไปส่วนผู้หญิงก็พัฒนาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพอ่สู้ไหมเผ่สู้ไหมไปสำรวจนะเราเวลาไปทิ้งวันหนึ่งเท่าไหร่ตอนกินข้าว กินข้าวนะเกือบชั่วโมงบางคนทิ้งหมดเลยนะพอคล้อยหลังจากหลวงพ่อก็เวลาไปทิ้งนละใจลอยกินข้าวเรายังไม่รู้เลยว่ากินข้าวกับอะไรใครเคยเป็นไหมกินแล้วไม่รู้ว่ากินข้าวกับอะไร <c ười> พยายามอยู่กับปัจจุบั น, นการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเรื่อยไปนี่เราจเจริญปัญญาอยู่ การที่เราจเจริญปัญญาเนืองๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายความรู้ถูกความเข้าใจถูกมีอันเดียว้ก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นความรู้ที่จําเป็นเป็นความรู้ที่สําคัญเพื่อความพ้นทุกข์ความรู้อื่นๆนะเอาไว้อยู่กับโลก แต่การที่เราเห็นร่างกายจิตใจของเราไม่เที่ยงเป็นภูเป็นอนัตตานี่เป็นความรู้ที่จะข้ามโลกเความรู้อย่างอื่นนะั้นเป็นความรู้ที่จะอยู่กับโลกกระทัางการทาสมถะนะก็ยังเป็นความรู้ที่อยู่กับโลกทำสมาธิไปเรื่อยจิตสงบนะเข้าฌานเวลาตายทรงฌานตายอยู่แล้วก็ไปเป็นพระปร่มกสร้างโลกนะอยู่กับโลกอีกโลกนึง กระทั่งทำสมาธินะเยัเป็นความรู้ที่อยู่กับโลกเลยแต่อาศัยความรู้ที่อยู่กับโลกนั่นแหละมาเป็นกําลังมาพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดปัญญาพอาจิตใจสงบแล้วอย่าสงบอยู่เฉยเฉยให้มาดูความจริงของกายของใจไปดูความจริงของกายของใจเห็นกายเห็นใจทํางานไปดูด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ดูไปสบายๆเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานถ้าตราบใดที่พวกเรายังคอยดูกายดูใจมันทำงานนะดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางถ้ายังมีคนปฏิบัติอย่างนี้อยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์นะถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเองนะวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นพระอระหันต์ได้นะบารมีเราพอแล้วการที่เรามีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมี่กว่าเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่แต่ถ้ารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนันจะเกิดปัญญาถ้ามีสติรู้กายรู้ใจแต่จิตเข้าไปแนบที่กายจิตเข้าไปแนบที่ใจได้สมถะกรรมฐานถ้าดูกายดูใจทำงานในจิตตั้งมั่นเป็นกลางจิตอยู่ต่างหาก <c oughs> เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่จิตอยู่ต่างหากเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นในกายบ้างในใจบ้าง เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตตั้งมั่นอยู่นะเห็นกุศลอะกุศลทั้งหลายเวียนเกิดขึ้นในใจเราตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็เห็นว่าจิตนี้ไม่ได้ตั้งมั่นตลอดเวลาบางทีจิตนี้ก็วิ่งไปดูบางทีจิตก็ไปฟังบางทีจิตก็ไปคิดจิตก็ทำงานอย่างน้อนอย่างนี้แปรปรวนตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวที่ตั้งมั่นอยู่เฉย ในจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่เราเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะของร่างกายของความสุขความทุกข์ของสังขารคือกุศลอกุศลทั้งหลายของวิญญาณนี่คือจิตทั้งหลายที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6การที่เราคอยรู้คอยดูนี่แหละเรียกว่าเราจเจริญสติปัฏฐานในแบบมิปัสสนากรรมฐานนะ แต่ถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้ทาสมถะนะในสติปัฏฐานนะในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะมีสมถะและวิปัสนาปนกันอยู่อย่างการเจรานานาปนสติเนี่ยทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนานะถ้าจะเป็นสมถะก็คือเวลาเราหายใจไปมีสติรู้ลมหายใจแต่จิตไม่ตั้งมั่น เป็นคนดูจิตไหลเข้าไปรวมกับลมหายใจไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูจะได้สมถะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นหายใจออกก็ถูกบีบคั้นต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ถูก หายใจเข้าไปนานๆก็ถูกเบียดคั้นต้องหายใจออกแก่ทุกข์เองมีแต่ทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทั้งหายใจออกหายใจเข้าก็มีแต่ความทุกข์เบียดเบียนอยู่นี่เราเห็นความทุกข <T hing achieve> ์เราเห็นในร่างกายที <ask> ่หายใจออกหายใจเข้านะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุมันหมุนเวียนอยู่ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตไม่ใชเ่เราไม่ใช่เขานนะ้นี่เห็นอนัตตาเนี่ยถ้าทําอย่างนี้นะหายใจไปแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำวิปัสสนาอยู่ถ้าหายใจไปแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะกรรมฐา น, นการดูจิตดูใจก็เหมือนกันถ้าเราเห็นจิตใจเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวจิตดีเดี๋ยวจิตร้ายเดี๋ยวจิตสุขเดี๋ยวจิตทุกข์นี่เราจเจริญปัญญาทํำวิปัสสนากรรมฐานอยู่ เราไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเพ่งความว่างน้อมจิตไปเพ่งความว่างแทนที่จะคอยดูจิตมันเกิดดับคอยดูเจตสิก ค, คือเวทนาความสุขความทุกข์สังขารความปรุงดีปรุงชั่วแทนที่จะดูสิ่งเหล่านี้เกิดดับเราไปเพ่งความว่างๆอยู่น้อมจิตไปเพ่งว่างๆนะพวกเราลองหลับตาดูนะแล้วลองดูไปที่จิตของเรา รู้สึกไหมมันมีทั้งส่วนที่วุ่นวายและส่วนที่ว่างๆบางนคนถ้าจับเอาส่วนที่ว่างๆเลยแล้วถ้าน้ําจิตไปอยู่ในส่วนที่ว่างๆเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาแล้วมันเป็นสมถะกรรมฐานการเพ่งช่องว่างชื่อว่าอากาสานัญจา ย, ยตนะมีการเพ่งจิตนะเพ่งทำสมถะแต่ไม่ได้เพ่งตัวจิตตรงๆไปเพ่งความว่างที่จิตไปรู้เข้า นี่บางคนเห็นว่าไปเพ่งความว่างที่จิตไปรู้เข้ายัางไม่ดีมันเป็นการเพ่งอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะจิตแปลว่าตัวที่เป็นผู้รู้อารมณ์พอไปเพ่งความว่างซึ่งเป็นอารมณ์สิ่งที่ถูกรูนะ้ก็รู้สึกว่าจิตยังออกนอกอีกก็น้อมกลับเข้ามาเพ่งจิตซึ่งเป็นผู้รู้การท <laughs> ี่กลับมาเพ่งจิตที่เป็นผู้รู้นะไม่จะเกิดผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไ ป, รไปเรื่อยๆวิญญาณเป็นอนันต์จิตเป็นอ น, นันต์นะ ซ้อนๆไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐาน exactly. ชื่อวินญาณั ญ, ญจายตนะเพราะฉะนนไปเพ่งอารมณ์ที่ว่างนะก็เป็นปสมถะกรรมฐานชื่ออากาสานัญจายตนะเมื่อเพ่งจิตที่เป็นผู้รู้ความว่างก็เป็นสมถะกรรมฐานชื่อวิญญานัญจายตนะบางคนเห็นว่ายังเพ่งอารมณ์คือความว่างแล้วก็เพ่งจิตอ hm ยู่ด้วยนะเป็นภาระเป็นความทุกข์ไม่เพ่งอะไรสักอย่างเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเลย น้ำจิตไปสู่ไม่เอาทั้งอารมณ์ไม่เอาทั้งจิตก็เป็นสมถะกรรมฐานอีกอย่างห น, นชื่ออากินจัญญายตนะพอจิตมันจับอารมณ์ที่ไม่มีอะไรนะียว่างเปล่าไม่มีอะไรมันละเอียดเกินสัญญาก็ค่อยอ่อนแรงลงไปเรื่อยนะจิตต้งไปสู่สมถะอีชนิดหนึ่งเกือบจะไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่เลยชื่อในวสัญญานาสัญญายตนะ งั้นดูจิตนะต้องระวังนะไม่ใช่ดูจิตดูจิตแล้วไปเพ่งความว่างไปเพ่งจิตไปเพ่งความไม่มีอะไรพน้อมจิตจนแทบจะไม่รู้สึกอันนั้นไม่ใช่วิปัสนากลายเป็นทำสมถะแล้วนึกว่าทําวิปัสนาอยู่หรืออย่างดูร่างกายบางคนบอกดูท้องพองยุบเป็นวิปัสนานะพุโทโธไม่เป็นวิปัสนาดูท้องพองยุบนะถ้าจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องนันเป็นสมถะ ถ้าเห็นดูท้องพองยุบในจิตตั้งมั่นไหเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบในร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนามันจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์าำพังเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันได้เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางอยู่นี่แหละ จะเป็นจิต ท, ที่เอาไว้ใช้ทําวิปัสสนากรรมาฐานจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางนะั้นในปริยัติก็จะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานมีความตั้งมั่นในการรู้ลักษณะสมาธิเรามีสองอันนะถ้าเป็นสมาธิที่ไปตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เรียก อ, อารามณูปนิชฌานใช้ทําสมถะถ้าสมาธิชนิดที่เห็นไตรลักษณ์ได้เป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนา สมาธิที่เห็นใจ ล, ลักเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะของวิปัสสนาเกิดขึ้นในขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะแห่งอริยผลนะตอนที่เกิดอริยมรรคนะจิตเข้าฌานนะในฌานนั้นยังจัดเป็นลักขณูปนิชฌานไม่ได้ไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่เฉยๆนะจิตสงบขนาดถึงเข้ามปนาสมาธินะแต่ยังเดินปัญญาได้อยู่ในนั้นนะเนี่ยเราต้องค่อยๆเรียน ค่ฝึกนะพัฒนาขึ้นมาจับหลักให้แม่นถ้าเราไปเพ่งอยู่ในอารมันเดียวเป็นสมถะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูกายดูใจเห็นกาเห็นใจทํางานไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่จะเป็นวิปัสสนาถ้าทําวิปัสสนาได้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้จิตจะค่อยคลายความยึดถือออกนะเบื่อมันจะเบื่อก่อนนะรู้สึกไร้สาระร่างกายจิตใจนี้แต่เดิมนึกว่าของดีของวิเศษพอมาเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาแล้วรู้เลยไร้สาระจิตจะเบื่อถ้าเบื่อไหนให้รู้เบื่อไหนอีกนะอย่าให้ความเบื่อครอบจิตนะถ้าความเบื่อครอบจิตได้กลายเป็นโทสะนะถ้ามันเบื่อเพราะว่ามันเห็นความจริงนะสุขก็หน้าเบื่อเท่าเท่ออกับความทุกข์นั่นแหละ ดีก็หน้าเบื่อเท่าๆกับความชั่วนั่นแหละร่างกายนี้ก็หน้าเบื่อยืนก็หน้าเบื่อเดินหน้าเบื่อนั่งหน้าเบื่อนอนก็หน้าเบื่อมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าเห็นอย่างเนี้ใจจะคลายความยึดถือในรูปนามในกายใ น, ในใจของเราพอมันคลายมันคลายของมันเองนะคลายถึงขีดสุดนี่มันสลัดทิ้งเลยมันไม่ยึดถือเลยนะคราวนี้รูปนามมีอยู่นะแต่จิตไม่เข้าไปจับแนละจิตไม่เข้าไปเกาะเกี่ยว จิตพลากออกจากขันจิตพลากออกจากรูปจากนามมันพลากออกจากกันนะมันแยกออกจากกันได้ความเสียจแทงของรูปนามเนื้อเข้ามาไม่ถึงจิตอีกต่อไปแล้วนะถ้าฝึกไปถึงขีดสุดนะตรงนี้ที่สมมุติกันเรียกว่าพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นคําเรียกโดยสมมุตินั่นเองนะก็คือสภาวานะทองท่านที่จิตของท่านเนี่ยพรากออกจากขันถาวรแล้วไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวกันอีกต่อไปแล้ว You know, ท่านพลาออกจากขันถาวรได้เพราะท่านเห็นความจริงของขันว่าไม่น่ายึดถือไม่ใช่ของดีของวิเศษท่านเห็นความจริงของขันได้เพราะท่านคอยรู้ขันอยู่บ่อยๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางดูมันไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางบ่อยๆจิตของท่านตั้งมั่นเป็นกลางได้นะเพราะท่านดูทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงไปไหลไปแล้วการที่ท่านรู้ขันได้บ่อยๆพราสติของท่านเกิดเร็ว เราก็ต้องฝึกให้มีสตินะฝึกให้มีจิตตั้งมั่นปัญญามถึงเหเกิดมีสติคอยรู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูดูละครมันแสดงละครนี้แสดงโดยขันห้าจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดู ดูไปดูไปโอ้ไรสาระพวกเราเคยดูละครแล้วรู้สึกไรสาระบ้างไหมบางทีละครก็สนุกใช่ไหมละครสนุกแล้วอินใช่ไม้มรู้สึกเป็นจริงเป็นจังชันนี่แหละหนางเอกละ่ะกำลังถูกนางมารไรหลังแกอยู่อะไรนี้นะเวลาเราดูละครนะบางทีเราก็หลงไปถ้าละครนั้นจืดชืดเราก็รู้สึกนี่มันของน้าเน่าไม่น่าดูใจเบือ่อ การดูกายดูใจดูธาตุดูขันแสดงละครก็แบบเดียวกันนะขาดสติขาดปัญญานะเพรเห็นว่าโอ้ยสนุกอย่างเลยเพลิดเพลินลื ม, มตัวเองไปเลยถ้ามีสติปัญญารู้นี่มันละครมันไม่ใช่เรื่องจริงเวลาที่เราดูหนังดูละครนะ้แล้วเราคอยเตือนตัวเองบ่อยๆนี่ละครนะนี่เรื่องแต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงอ่ละครเรื่องนั้นจะจืดชืดไปหมดเลยนะเนี่ยเราคอยดูกายดูใจมันเล่นละครนะรู้เลยนี่ละคร มันจะจืดนะจืดชืดเลยจืดแล้วจะค่อยๆคลายคลายออกอะไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรแล้วเป็นของโกหกหลอกลวงเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตาเหมือนหมอกเหมือนไอ้น้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็หายหาสาระหาแก่นสารในไไม่ได้ในใจจะเบือ่อต่อไปดูละครนี้นะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความแม่เอไหนหน่าเบือ่อ มันเล่นบทรักก็หน้าเบื่อมันเล่นบทโศกก็หน้าเบื่อมันเล่นบทสุกก็น่าเบื่อมันเล่นบททุกข์ก็หน้าเบื่อมันเป็นละครมันหลอกลวงขันห้านั้นเล่นละครหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาเราเห็นความจริงรู้ว่าของหลอกลวงมันเบื่อนะนี้พิธามันเกิดขึ้นมันเบื่อมลายสาระพอเบื่อแล้วตอนนี้ไม่เข้าไปอินกับมันนะ้วตรงที่จิตไม่เข้าไปอินกับละครคือธาตุคือขันเนี้จิตจะค่อยๆแยกตัวออกมา เป็นอิสระออกมาจากละครโงนี้นะถึงจุดที่ปัญญาแก่รอบนะจินจะโยนลงละครนี้ทิ้งไปเลยไม่ไม่ใช่แค่ไม่ดูละครนะมัลื้อโรงละครออกไปเลยเพ่จะมีความสุขมีความสงบนะขึ้นมาแทนที่ความสุขความสงบชนิดนี้คนในโลกไม่เคยสัมผัสเลย มีโอกาสสัมผัสนะถ้าได้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเพราะไม่เคยได้ยินธรรมะกระทั่งชาวพุทธเราได้ยินธรรมะก็แต่เรื่องทําทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ยินธรรมะในเรื่องขั้นเจริญปัญญาแต่บางคนจะเอาแต่ปัญญาไม่ทําทานไม่รักษาศีลไม่ทําสมาธิใช้ไม่ได้เหมือนกันนะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นฐาน เพื่อพัฒนาจิตนะให้ลดละความเห็นแก่ตัวมาเป็นลำดับเราทำทานก็ต้องละความเห็นแก่ตัวใช่ไหมจะรักษาศีลก็ต้องละความเห็นแก่ตัวนะควรเห็นแก่ตัวมากรักษาศีลไม่ไหวร้องจะนั่งสมาธิก็ต้องละความเห็นแก่ตัวไปบ้างนะเห็นแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะจะเอาแต่ความสุขนั่งหลังกดหลังแข็งไปเดินจงกรมเมื่อยนะเงนั้นทำไปนียมันต้องลดละความเห็นแก่ตัวไปด้วย นี่เราลดลกความเห็นแก่ตัวได้ที่ น, ะนั้นมาเจริญปัญญาแนละก็เห็นแล้วร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรแล้วมันก็ปล่อยง่ายถ้าไม่มีกําลังพอศีลไม่มีสมาธิไม่มีเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกได้แต่คิดเอาเฉยๆนะฟุ้งซ่านไปเฉยๆสมาธิต้องมีคือจิตต้องตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วถึงจะเห็นความจริงเดินปัญญาได้พอนะเดินปัญญาได้แล้วไม่จะเบือ่อ เบื้องต้นมันจะเบื่อนะเห็นในยรายสาระละคร น, นี้โกหกหลอกลวงละครเรื่องขันห้านี้โกหหลอกลวงนะดูมากเข้ามากเข้านะใจมันหนีมันไม่ได้ต้องดูเหมือนบางคนเบื่อภรรยานะเห็นหน้าบางคนก็เบื่อสามีหนีก็ยังไม่ได้นะดูหน้ามันไปก่อนดูไปดูไปดูไปจนแก่นะชินชิ น, นะเฉยเฉยใจเป็นกลางขึ้นมาแล้วนะแต่นั้นกลางเพราะจำเป็น ยางนีไม่ได้กลัวมันเชื่อเอาแต่นี้กลางพบพัญญานะใจค่อยคลายออกคลายออกนี้สุดสลัดออกเลยจีดเป็นอิสระถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดเนี่ยเราจะได้อิสระภาพเราจะได้สันติภาพเราจะได้ความสุขอันมหาศาลความสุขนั้นเกิดจากอิสระมีอิสระแล้วมีสันติไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมาเสียดแทงจิตใจได้อีกล้ว ความสุขอันนี้ไม่มีความแปรปรวนเกิดขึ้นเรามีโอกาสนะเพราถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วเราได้ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทมเพราะฉะนั้นเราได้ฟังธรรมมาบ่อยแล้วนะฟังซีดีบ้างฟังหลวงพ่อบ้างเหลือแต่ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทมวันๆอย่าเอาเวลาไปจิ้งเก็บมาให้หมดเลยนะเวลาเล็กเวลาน้อยถ้าจะพักผ่อนจาเป็นต้องพักผ่อนก็พักผ่อน นะแต่ไม่ใช่ปล่อยตัวสเปซสปาปล่อยใจสเปซสปาทั้งวันแล้วบอกว่าพักผ่อนเลยนะไม่ใช่ไอ้นั้นเหลวไหลพักผ่อนกับเหลวไหลไม่เหมือนกันนะ mm hmm. งั้นพักผ่อนได้แต่ไม่เหลวไหลนะเหลวไหลคือปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจ mm hmm. เพื่อเจอไปวันวันหนึ่งเอาต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมไปกินข้าวนะกินข้าวไปดูกายดูใจมันกินข้าวดูซิใครเป็นคนกินนี่หมดเลยครับ